ที่รู้จักเกมคุณกำลังอยู่ในเกมจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามองค์ประกอบของเกมถ้ามองชีวิตทั้งหมดเป็นเกมชีวิตจะปรากฏต่อคุณแตกต่างไปจากที่เคยอย่างน้อยที่สุดคุณอาจได้ตั้งคำถามขึ้นมาบ้างว่ามีสิ่งใดให้เลือกเก็บเพื่อเพิ่มคะแนน หรืออาจได้ตระหนักว่าหากปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่เดินหน้าก็ไม่ต่างอะไรกับยกธงขาวยอมแพ้เท่านั้นเมื่อมองชีวิตเป็นเกมก็ต้องถามว่าในเกมนี้ใครเป็นผู้เล่นอุปกรณ์การเล่นคืออะไรกติกาเป็นอย่างไรแพ้ชนะแล้วได้อะไรและใครเป็นผู้ตัดสิน ใครเป็นผู้เล่นผู้เล่นเกมให้คุณดูก็คือตัวคุณเองคุณต้องเล่นต้องเฝ้าชมและต้องรับผิดชอบตัวเองคุณเล่นให้ตัวเองดูตลอดเวลาไม่มีใครมาร่วมดูได้ชัดเท่าเช่นแม้นึกว่าปลีกเวลาไปเฝ้าดูเฝ้าเพ่งโทษคนอื่นแท้จริง คุณก็เป็นคนเดียวที่รู้ว่าความคิดเพ่งโทษในหัวทั้งหมดเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะที่พูดออกมาทางปากใส่หูคนอื่นให้ได้ยินเท่านั้นอุปกรณ์การเล่นคืออะไรอุปกรณ์การเล่นคือบุคคลและวัตถุทุกชิ้นที่อยู่บนโลกหมายความว่าคุณมีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับใครหรืออะไรก็ได้ แม้ไม่ใช่ด้วยการสัมผัสตแต่ต้องทางกายก็โดยการสัมผัสตแต่ต้องทางใจเช่นคุณนึกด่าหรือคิดชมใครที่เขาไม่รู้จักคุณคุณก็ได้กระทำอะไรบางอย่างกับเขาไว้ด้วยใจเรียบร้อยแล้วกติกาเป็นอย่างไรกติกาคือทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเมื่อทำดีจิตจะเป็นกุศลมีผลเป็นความสุขความเจริญส่วนเมื่อทำชั่วจิตจะเป็นอกุศลมีผลเป็นความทุกข์ความเสื่อมแม้ผลไม่ปรากฏให้รู้สึกเร็วทันตาทันใจในปัจจุบันก็ต้องออกดอกออกผลในอนาคตเข้าจนได้เช่นด่าคนอื่นอยู่ในใจ ดูเหมือนไม่มีบทลงโทษใดๆเลยแต่เมื่อด่าในใจจนติดเป็นนิสัยวันหนึ่งในหัวของคุณจะกึกก้องไปด้วยเสียงด่าหยาบๆคายๆอย่างน่ารำคาญและน่าทรมานใจอยู่กับตัวเองเป็นอย่างยิ่งแพ้ชนะแล้วได้อะไรถ้าเล่นเกมแพ้ สิ่งที่คุณจะได้รับคือบทลงโทษซึ่งขั้นหนักหน่อยคือถูกพักการเล่นเกมชั่วคราวไปโดนคุมขังอยู่ในที่คับแคบและเร่าร้อนด้วยความทรมานราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเล่นเกมชนะสิ่งที่คุณจะได้รับคือการตกรางวัลซึ่งเยี่ยมหน่อยคือได้พักเหนื่อยชั่วคราว ไปอยู่ในที่กว้างขวางอย่างเป็นอิสระและเย็นสบายเรากับจะให้ลืมความเหนื่อยยากในการเล่นเกมเส้อทั้งหมดอย่างไรก็ตามการพักชั่วคราวจะสิ้นสุดลงตามควรแก่ระดับรางวัลในที่สุดคุณจะต้องกลับมาเล่นเกมใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครเป็นผู้ตัดสิน ธรรมชาติในตัวคุณเองเป็นผู้ตัดสินเช่นเมื่อทำดีมากๆร่างกายของคุณเองจะสะท้อนความดีผ่านผิวพรรณที่งดงามผ่องใสจนใครๆอดไม่ได้ต้องทักว่าไปทำอะไรมาถึงดูดีขึ้นขนาดนี้เป็นต้นหัวข้อเกมย่อยในเกมใหญ่ ในเกมกรรมยังมีเกมย่อยอีกมากมายซ้อนๆกันอยู่นับแต่เกมเด็กเล่นเกมกีฬาเกมคอมพิวเตอร์เกมรักเกมธุรกิจเกมการเมืองเกมชีวิตและอื่นๆมนุษย์เราถูกล่อใจให้มัวแต่เอาใจไปเล่นเกมปลีกย่อยกันท่าเดียวโดยไม่ตรหนักว่าทุกเกมย่อยคือส่วนหนึ่งของเกมกมทั้งสิ้น ลองมาดูตัวอย่างรายละเอียดของแต่ละเกมย่อยกันว่าแท้จริงแล้วเป็นตัวล่อให้เราเล่นเกมกรรมท่าไหนบ้างในเกมเด็กเล่นถ้ารีกอ่านโกงเพื่อนก็จะเป็นความเคยนิสัยให้คิดเอาชนะด้วยกเลเล่เพทุบายแต่ถ้ารู้จักเล่นเพื่อสร้างน้ําใจนักกีฬาอารมณ์มั่นคงแบบคนรู้แพ้รู้ชนะ รู้จักได้รู้จักเสียอย่างสง่างามไม่อยากโกงใครให้เสียศักดิ์ศรีก็เกิดขึ้นแทนในเกมกีฬาท่านว่าผู้เล่นเกมชนะยอมได้ชื่อว่าก่อเวรส่วนผู้แพ้ย่อมนอนไม่หลับการก่อเวร น, นับเป็นทางมาของการคิดสมน้ำหน้าและนึกทะนงบาปทางใจบาปทางวาจา และบาปทางกายย่อมทยอยตามมาไม่ยากแต่ถ้าใจผู้เล่นกีฬาไม่ผูกอยู่กับเรื่องแพ้ชนะทว่าผูกอยู่กับความสนุกของกลเกมหรือผูกอยู่กับการพัฒนาฝีมือให้รุดหน้ายิ่งยิ่งขึ้นก็ถือเป็นการร่วมทำชีวิตให้ก้าวหน้าไปด้วยกันในเกมคอมพิวเตอร์ ผู้เล่นเกมถนัดแนวเล่นแบบใดพื้นฐานจิตใจยอมเป็นไปตามแบบนั้นความสมจริงของกราฟิกคอมพิวเตอร์ที่สร้างวิธีคิดในทางเลวร้ายยอมสั่งสมความรู้สึกเลวร้ายเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งถึงจุดหนึ่งเมื่อจิตถูกยอมให้เห็นผิดเป็นชอบเต็มที่ก็ยอมด้านชาพร้อมจะก่อบาปในโลกความจริง เรากับเอาชีวิตจริงมาเล่นเป็นเกมคอมพิวเตอร์ก็ไม่ปานในเกมรักผู้เล่นเกมชนะจะหัวใจพองฟูผูกพันกันในทางดีจนอยากทำดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะพึงทำแก่กันได้ส่วนผู้เล่นเกมแพ้จะเกิดอาการอกหักแล้วหมางใจกัน หรือขนาดเครียดแค้นจนอยากทำร้ายกันอย่างโหดเหี้ยมที่สุดเราสัตว์ร้ายทำกับเหยือ่อในเกมธุรกิจผู้เล่นเกมต้องห้ามหันแข่งขันเอาเป็นเอาตายอาจนำไปสู่การคิดกำจัดคู่ต่อสู้ด้วยวิธีฆ่าฟันให้ตายไปจากโลกหรือสถานเบาคือกำจัดให้พ้นสนามแข่งเดียวกันด้วยความป่าเถื่อน แต่ก็มีบ้างที่เกมธุรกิจเปิดช่องให้มองหาลู่ทางทำประโยชน์แก่ผู้บริโภคซึ่งก็จัดจัดเป็นบุญใหญ่หากผู้บริโภคได้รับประโยชน์จริงตามความตั้งใจของผู้เล่นเกมธุรกิจในเกมการเมืองผู้เล่นเกมยอมต้องเลงเรื่องของอำนาจเป็นหลักอำนาจล้นฟ้าในมือผู้นำ เงินทองกองภูเขาตลอดจนชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดึงดูดความสนใจของมหาชนได้จัดเป็นทางมาของบาปอากุศลนานับประการแต่ขณะเดียวกันการเมืองการปกครองก็เป็นทางมาของบุญใหญ่อย่างยากจะหาเกมใดเสมอเหมือนเพราะเมื่อจิตคิดบริหารบ้านเมืองโดยมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนในแผ่นดินอย่างแท้จริงกุศล ก็สว่างจ้าเทียบได้กับพระอาทิตย์ลอยขึ้นเหนือแผ่นดินเลยทีเดียวในเกมชีวิตผู้เล่นมาคิดว่าเป็นเกมใหญ่ที่สุดและมองชีวิตโดยรวมว่าเป็นเกมเอาตัวรอดก็ต้องคำนึงว่าวิธีเอาตัวรอดของแต่ละคนนั้นอาจไปเบียดเบียนใครบางคน รวมทั้งอาจแกล้งลืมมโนธรรมที่ติดตัวมาแต่เกิดเพราะความอยู่รอดของตนและพวกพ้องต้องมาก่อนความถูกต้องฉะนั้นเกมชีวิตที่มีแต่คำว่าเอาตัวรอดย่อมเป็นทางมาของบาปอกุศลเหนือเกมอื่นใดในทางตรงข้ามหากคิดถึงความอยู่รอดของคนอื่นพอๆกัน หรือมากกว่าความอยู่รอดของตัวเองก็ย่อมเป็นทางมาของบุญกุศลเหนือเกมอื่นใดด้วยหัวข้ออันตรายของการไม่รู้จักเกมกรรมหากถามว่าความผิดจากการเล่นเกมหนึ่งหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง คำตอบหลักๆมีอยู่สามข้อได้แก่ตั้งใจผิดกติกาเผลอผิดกติกาและไม่รู้กฎกติกาในบรรดาต้นเหตุของความผิดพลาดทั้งสามประการข้างต้นหากถามว่าความผิดข้อใดร้ายแรงที่สุดมีอันตรายใหญ่หลวงที่สุดถ้าเอาตามภาษามนุษย์เรายอมตอบว่าเลวที่สุดน่าจะเป็นข้อแรก คือตั้งใจผิดกติกาเพราะความตั้งใจเป็นตัวชี้ว่าเนื้อแท้ของใครเป็นอย่างไรส่วนการไม่รู้กฎกติกาน่าจะนับว่าควรติเตียนน้อยกว่าเพื่อนเพราะผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่โดยการตัดสินของธรรมชาติแล้วการไม่รู้กฎกติกาแม้ไม่เลวร้ายแต่ก็จัดว่าอันตรายร้ายแรงที่สุดทั้งนี้ เรอเป็นต้นเหตุของความกล้าแหกกฎกล้าทำเรื่องเลวร้ายทั้งปวงโดยไม่ต้องยับยั้งชั่งใจนอกจากนี้ก็ขอให้พิจารณาว่าผู้ตั้งใจละเมิดกติกาอาจสำานึกผิดคิดเล่นตามกฎได้ไหมแต่ผู้ไม่รู้กระทั่งว่ากำลังเล่นเกมอยู่และไม่รู้ว่ากติกาของเกมเป็นอย่างไร ย่อมไม่อาจทราบว่าควรหรือไม่ควรสำนึกผิดด้วยซ้ำแถมเมื่อถึงเวลารับรางวัลหรือถูกลงโทษก็จะงงๆว่าทำไมตนถึงต้องมีชะตากรรมที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างนั้นเมื่อทุกคนถูกล่อใจให้เล่นเกมย่อยๆเอาใจใส่แต่เฉพาะกฎกติกาที่มนุษย์คิดกันขึ้นมาเอง โดยไม่ตระหนักว่ากำลังเล่นเกมกรรมอันเป็นเกมใหญ่สุดผลคือทุกคนดีแต่กระเสือกกระสนเอาแพ้เอาชนะในเกมอื่นถ้าว่าสำหรับเกมกรรมกลับไม่สนใจแม้ปีเท้าย้ายของชีวิตที่ใกล้หมดเวลาแข่งขันก็ไม่สนว่าจวนแพ้หรือจวนชนะเอาเลยสรุปคือ ความผิดที่สุดในการเล่นเกมกรรมก็คือการไม่รู้กฎกติกาของเกมกรรมนั่นเองจบบทที่หนึ่ง